พหุงสหัสมาพินิมมิตสาวุธันตังคลีเมขลังอุทิตโคราสเซนมารังทานาธิธรรมวิธินาจิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังฆลาเน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 นาราคิริงขชวรังอาทิตตภูตังทาวขิจักกมสวนีวสุธารุนันตังเมตตามภูเสกวิธีนาจิตวามุนินโพตันเตชะสาพวตุเตชยมังกลานี ปุขิตคักขมติหัตสุทารุนันตังทาวนติโยชนปาถังคุลิมาละวันตังอิทธิพิสังคตมโนจิตวามุนินโทตันเตชสาภาวตุเตชัยมังคลานิกตวานาทธมุทรัะอิวะคับพินิยาจินจายะ ทุตทวจนงชนกายมัตเชสันเตโสมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสัจจังวิหายามติสัจจกทธวาทเกตุงวาทาพิโรปิตามานังอติอันทภพูตัง ปัญญาปทิปชลิโตชิตวามุนินโธตันเตชะสาภาวตุเตชัยมังฆลานินันโธปนันทพุชคังวิพุทธังมาหิตทิงปุตเตนะเถระพุทชเคณทะมาปยันโตอิถูปทะเทสวิธีนาชิตวามุนินโธ ตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิทุกขาหะทิทพุชเคนสุทธาทหตทังพรหมังวิสุทธิชุติมิธิภกาพิธานังยานาคเทนาวิธินาชิตวามุนินโถตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิ เอตาปิพุทธชัยมังคละอัตคาถาโยวาจโนทินาทิเนสระเตมตันทีหิตวานะเนกวิธินานีจุปัฏวานิโมขังสุขังอธิขเมยานโรสปัญโยมหาการุณิโกนาโทหิตายสัพพปานินัง ปูเรตวะปารมีสัพพาปตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจฉวัตเชนะโหตุเตชยมังคลังชยันโตโพธียามูเลสักกายนังนันทิวัตโนเอวังตะวังวิเชโยโหหี ไยะสุชยมังคะเลอปราชิตตปันลังเกสีเสปะทวิโปคะเรอภิเสกสัพพะพุทธานังอคับปัตโตปโมทตีสุนักขัดตังสุมังคลังสุปภพาตังสุหุติตังสุขโนสุมุหุตโตจะสุยิทัง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 สัพพะพุทธานุภาเวนะสัทาโสตทิพวรรตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพภเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทาโสตทิพวรรตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพภเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะ สัาโสทีพระวันตุเต